บทที่15เช้าวันหนึ่งขณะที่สมพานวัดป่ามะม่วงกำลังสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมอยู่บนศาลาการประเรียนภิกษุรูปหนึ่งก็นำเด็กชายวัยเก้าขวบเข้ามาหากราบลงหน้าสิไอหนูฝากเนื้อฝากตัวกับท่านไว้ภิกษุวัยสี่สิบบอกเด็กที่มาด้วยแล้วตัวท่านก็ก้มลงกราบเบญจางขาประดิษฐ์สามครั้งอ้าวหลวงพี่ตุ๊หรอกหรือมาอย่างไรละเนี่ย พระเจริญทักทายพร้อมกับยกมือประนมในลักษณะรับไหว้พระตุเคยบวชอยู่ที่วัดพรมบุรีแต่ได้ลาสิกขาออกไปแต่งงานและยังไม่ได้พบกับท่านอีกหลวงพี่กลับมาบวชตั้งแต่เมื่อไรครับผู้อ่อนกว่าถามอีกสักสองปีหลังจากที่ท่านย้ายมาอยู่วัดนี้บวชแล้วเขาก็ให้ผมไปอยู่วัดกลางทุ่งจังหวัดลบุรีโน่น คือว่าแม่ไอ้หนูเกิดคลอดลูกตายผมก็เลยเป็นไม้ตอนแรกก็คิดจะแต่งงานใหม่แต่มานึกๆึกดูก็ขี้เกียจเลี้ยงลูกเห็นท่าจะต้องบวชจึงพาไอ้หนูไปอยู่กับยายเขาบังเอิญยายไอ้หนูก็มาตายลงเสอีกครั้นผมจะเอามันไปอยู่ด้วยที่วัดกลางทุ่งมันก็จะไม่ไดีเรียนหนังสือเลยนึกถึงท่าน ถ้าอย่างไรผมขอฝากไอ้หนูให้เรียนหนังสือที่วัดป่ามะม่วงด้วยกรุณาอย่าปฏิเสธเลยนะครับผู้สูงวัยกว่าถือโอกาสมัดมือชกเอาเถอะผมจะช่วยสงเคราะห์หลวงพี่อย่าได้ห่วงไปเลยดีเหมือนกันจะได้เอาไปเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิพวกเนนพากันสึกไปหมดผมเลยไม่มีคนรับใจใกล้ชิดอยู่กับหลวงน้านนะหนูนะ ท่านบอกเด็กชายผิวคล้ำแขนขายาวเก้งก้างเหมือนท่านสมัยเป็นเด็กครับเด็กชายตอบชื่ออะไรล่ะอายุกี่ขวบชื่อสามฤทธิ์อายุเก้าขวบครับเด็กชายตอบอีกเข้าโรงเรียนหรื อ, อยังคราวนี้พระตุเป็นผู้ตอบยังเลยครับเห็นว่ายายเขาเจ็บอ่อนๆแอดแ อ, ดอด ต้องคอยดูแลยายเลยไม่มีเวลาไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กอื่นไม่เป็นไรมาเริ่มต้นที่โรงเรียนวัดป่ามะม่วงเลยก็ได้ผมรู้จักกับครูใหญ่จะช่วยฝากฝังให้ท่านเอื้อเฟื้อถ้าเช่นนั้นผมก็เบาใจต้องไปขอบคุณท่านสมพานเป็นอย่างสูงที่ช่วยสงเคราะห์ผมจะได้แต่งงานกับ พระศาสนาอย่างไม่ต้องกังวลใจผู้มากวัยกว่าก้มลงกราบสามครั้งแล้วจึงเอ่ยปากลาก่อนไปหันมาสั่งลูกชายว่าอยู่กับหลวงน้านนะนะลูกขยันเรียนหนังสือเข้าโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนครับหลวงพ่อเด็กชายตอบผู้เป็นบิดารู้สึกอ้างว้างเดียวดาย ที่ต้องระเหระหนมาอยู่ท่ามกลางคนผู้ที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนครั้นหลวงพ่อเดินลงศาลาไปเด็กน้อยก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จึงนั่งร้องไห้กระซิบกระซิบสมภารวัดป่ามะม่วงเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้จึงสั่งโยมผู้ชายคนหนึ่งว่าช่วยพาเด็กไปที่กุฏิอาตมา แล้วก็ไปบอกแม่ชีให้เขาหาข้าวปลาอาหารให้กินด้วยหิวไหมหนูถามอย่างปรานีเอาละตามลุงคนนั้นไปเอาเสื้อผ้าไปไว้ที่กุฏิลงนาก่อนประเดี๋ยวแม่ชีเขาก็คงจะนำอาหารมาให้เด็กชายจึงกราบท่านสามครั้งและลุกตามโยมคนนั้นออกไปอย่างว่าง่าย ทำไมท่านสมพานจึงเรียกพระรูปนั้นว่าหลวงพี่และทำไมท่านไม่ไว้ท่านสมพานก่อนนางแต้มถามด้วยความสงสยัยก็ท่านศึกไปแล้วกลับมาบวชใหม่ก็เลยอาวุโสน้อยกว่าอาตมาเพราะว่าต้องเริ่มต้นนับอายุพรรษากันใหม่ภิกษุวัยสสเศษอธิบายน่าสงสารลูกชายท่านนะ คงคิดถึงหลวงพ่อแกหน้าดูแม่ออกลูกตายต้องอยู่กับยายอยู่ๆยายก็มาตายลงอีกคนชีวิตมันทุกข์นะท่านสมพานนะคนช่างสงสัยพูดปลงๆแล้วโยมรู้ไหมว่าทำไมชีวิตจึงต้องทุกข์ ไม่ทราบจ้ะโยมโถละ่ะรู้หรือเปล่าท่านถามนางโถฝ่ายนั้นจึงตอบว่าที่ต้องทุกข์เพราะว่าชีวิตต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายจ้ะถ้าไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่ทุกข์อิจฉนตอบอย่างนี้ถูกไหมจ้ะคงถูกมั้งและจะทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ล่ะท่านถามอีกไม่ต้องเกิดจ้ะ ถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกข์คราวนี้นางแต้มเป็นคนตอบถูกต้องถ้าคนเราไม่เกิดซะอย่างเดียวทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะการเกิดมันพ่วงเอาทุกข์คือความแก่ความเจ็บและก็ความตายมาด้วยรู้อย่างนี้แล้วโยมโถอยากจะเกิดอีกไหมไม่อยากจะท่านสมภารฉันไม่อยากเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวต่อให้เกิดเป็นพระยามพระมหากษัตริย์ ก็ไม่ต้องการคนเข้าถึงธรรมตอบอาตมาก็เหมือนกันนี่ก็ตั้งใจว่าจะใช้นี่เวณที่ทำกรรมที่ก่อให้หมดหมดไปจะได้ไม่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกภิกษุวัยสามสิบพูดปรงปรงเช่นกันท่านจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์หรือจ๊ะนางแต้มถาม พระเจริญรีบตอบว่าไม่เป็นหลอกโยมเทวดงเทวดาเพราะว่าจะเกิดอะไรก็ทุกทั้งนั้นเป็นมนุษย์ก็ทุกอย่างมนุษย์เป็นเทวดาก็ทุกอย่างเทวดาเป็นพรหมก็ทุกอย่างพรหมไม่ต้องเกิดและดีที่สุดนางโทรีบสนับสนุนว่าอีฉันเห็นด้วยจะ้ะแต่การที่จะไม่ต้องเกิดอีกมันยากนะจ๊ะท่านสมพาน พระผู้ที่ไม่ต้องเกิดอีกก็มีแต่อรหันเท่านั้นการที่จะปฏิบัติจนถึงขั้นพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆท่านสมพาน์ว่าจริงอย่างที่อิชันพูดมาหรือเปล่านางขอความเห็นจริงน่าจริงอยู่แต่โยมอย่าเพิ่งท้อถอยขอให้สั่งสมบารมีเข้าไว้ไม่แน่นะ โยมโถอาจจะเป็นพระอาหารหันในชาตินี้ก็ได้ท่านสัพพยอกนางโถรีบยกมือขึ้นสาธุด้วยนางปรารถนานิพพานสมบัติยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนับเป็นความปรารถนาที่ผิดแผกไปจากคนทั่วไปซึ่งส่วนมากก็หวังแค่มนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติเท่านั้น ตำรวจสามนายกับพระภิกษุสองรูปเดินขึ้นมาบนศาลาคนเป็นตำรวจนั้นพากันเดินอาจอาตรงมายังพระเจริญยังไม่ทันท่านหรือว่าโยมจะทักทายหนึ่งในสามคนนั้นก็ชี้ไปที่ภาพของสมเด็จพุทธจาร์โตพร้อมออกคำสั่งว่าปลดรูปนั้นลงไม่รู้หรือว่าท่านถูกจับศึกแล้ว ทางการสั่งห้ามวัดทั่วราชอาณาจักรไม่ให้มีรูปท่านไว้ไปปลดลงเสียเขาสั่งตำรวจที่มาด้วยกันคนถูกสั่งจึงเดินไปที่ภาพถ่ายแต่เมื่อจะปลดก็ถูกจเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงห้ามไว้อย่านะถ้าคุณแตะต้องรูปนั้นอาตมาจะแจ้งข้อหาทำลายทรัพย์ตำรวจผู้นั้น พอจะรู้กฎหมายอยู่บ้างจึงชะงักอยู่ตรงนั้นคนสั่งจึงย้ำอีกว่าปลดออกใครขัดขืนถือว่าเป็นคอมมนิสต์ทำไมถึงมากราวหาอาตมาเช่นนั้นอาตมาปกป้องอาจารย์ของอาตมาเท่านี้ก็ต้องเป็นคอมมอนิสต์ด้วยหรือท่านย้อนใช่พระอาจารย์ท่านเป็นคอมมนิสต์ ถ้าท่านไม่ยอมไปปลดภาพนั้นออกแสดงว่าท่านเป็นพวกเดียวกันเป็นคอมมิวนิสต์เขายา้ำทำไมมักเปล่าหากันง่ายๆล่ะคุณที่นี่เป็นวัดนะท่านมองไปที่ภิกษุสองรูปซึ่งยืนคุมเชิงอยู่แล้วพูดว่า ท่านละ่ะมากับตำรวจเนี่ยจะมาจับกลุ่มคอมมอนิสต์หรือถูกแล้วสมเด็จพระสังกราชวัดมังกุรท่านก็เห็นตรงกับรัฐมนตรีว่าสมเด็จพุทธจารย์เป็นคอมมอนิสต์แล้วก็สั่งให้ศึกแล้วตอนนี้เป็นคฤอรือหัดทางการจึงสั่งให้วัดทุกวัดที่มีรูปท่านปลดรูปออกภิกษุรูปที่อาวุโสน้อยกว่าอีกรูปหนึ่งอธิบาย ท่านไปทำผิดอะไรถึงได้ถูกกล่าวหาเช่นนั้นก็ท่านไปจีนแดงมานายกรัฐมนตรีถือว่าใครก็ตามที่ไปจีนแดงคนนั้นต้องเป็นคอมมนิสต์เหตุผลตื้นๆแค่นี้เองหรือผมไม่เข้าใจเลยว่าคนที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรีจะคิดตื้นๆอย่างนี้ท่านตำหนิบุคคลที่เป็นผู้นําประเทศคนเป็นตารวจรีบปา์มว่า ท่านระวังคำพูดคําจาด้วยประเดี๋ยวจะโดนข้อหาเป็นคอมมนิสต์อีกคนหรอกจะเป็นได้ยังไงในเมื่อผมไม่เคยไปจีนแดงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงย้อนเป็นการย้อนที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บท่านสมพานไม่ได้เป็นคอมมนิสต์หรอกจ้ะคุณตํารวจฉันเป็นพยานได้ถึงฉันไม่รู้ว่าคอมมนิสต์เป็นยังไง แต่ฉันก็มั่นใจว่าสมภานไม่ได้เป็นเพราะท่านสอนกรรมฐานให้พวกฉันทุกวันไม่เห็นท่านบอกว่าเป็นวิชาคอมมอนิสต์บอกแต่ว่าเป็นวิชาพระพุทธเจ้าหรือคุณตำรวจว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคอมมนิสต์ล่ะนางโถช่วยเถียงแทนพระเจริญขณะที่คนอื่นไม่กล้าเพราะเกรงอาญาแผ่นดินป้าไม่ต้องพูดมาก ประเดี๋ยวก็ถูกยัดเยียดข้อหาว่าเป็นคอมมอนิสต์อีกคนตำรวจผู้นั้นโกรธโกรธออถ้าคอมมอนิสต์มันปฏิบัติกรรมฐ า, านอย่างพวกฉันฉันก็ว่าเป็นคอมมอนิสต์ดีกว่าจะได้พ้นจากทุกข์สตรีวัยเดียวกับโยมมารดาพระเจริญเถียงไม่ลดละนางมั่นใจว่าพระเจริญเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนางก็ยอม เป็นอันว่าผมไม่ยอมให้คุณปลดรูปออกนะท่านใช้คําว่าผมและคุณแทนอาตมาและโยมแล้วหันไปยกมือไหว้พระภิกษุสองรูปพูดแกมขอร้องว่าอย่าปลดรูปอาจารย์ของผมเลยนะท่านจะเป็นคอมมอนิสต์หรือไม่เป็นแต่ท่านก็เป็นอาจารย์ของผมผมเป็นสิทธิต้องการเคารพครูอาจารย์ได้โปรดเห็นใจผมด้วย อย่าให้ผมต้องอากตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์เลยไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ยอมให้ปลดก็เท่ากับคุณขัดคำสั่งของนายกรัฐมนตรีและสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่าผิดสองกระทงเลยใช่เรียกว่าผิดทางโลกและทางธรรมภิกษุอีกรูปหนึ่งรีบสนับสนุนพราะเจริญรู้สึกสังเวชใจที่คนถือเพศบรรพชิตเช่นเดียวกับท่าน ถูกอวิชาครอบงำจนมืดบอดออกอย่างนี้เมื่อใช้ไม้อ่อนไม่สำเร็จท่านก็ท่องใช้ไม้แข็งจึงพูดขึ้นว่าเอาเถอะผมยอมผิดทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าผมไม่ยอมให้ใครมาปลดรูปอาจารย์ผมออกขืนธรรมผมจะถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทำลายทรัพย์ถ้าเช่นนั้นผมจะฟ้องเจ้าคณะอำเภอ ให้ลงโทษคุณในฐานะทำผิดต่อพระวินยัยภิกษุผู้มากับเจ้าหน้าที่ตำรวจคูได้สิผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำผิดพระวินัยข้อไหนถ้าจะให้ผมผิดจริงๆก็เห็นจะต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมาใหม่หรือไม่ก็พากันตั้งาศาสนาใหม่ขึ้นมาเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวท่านประชดเมื่อเห็นว่า ไม่อาจจะบังคับท่านได้ตำรวจสามนายจึงนิมนต์พระภิกษุสองรูปกลับแต่เพื่อไม่ให้เสียหน้าจึงพูดกับภิกษุเจ้าถิ่นว่าผมจะเล่นงานท่านแน่เตรียมศึกได้แล้วตกลงถ้าคุณเห็นว่าจะทำให้ผมศึกได้ก็ช่วยกันตั้งข้อกล่าวหามาจะได้รู้กันเสียทีว่าอาธรรมมีอำนาจเหนือธรรมะ ภิกษุวัยสามสิบท้าทายอย่างองอาจพระรู้ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมบุคคลผู้หลงผิดทั้งห้าลงจากศาลาไปแล้วญาติโยมต่างพากันวิพากวิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่างพากันแสดงความห่วงใยในพระศาสนา พระเจริญมองเห็นภัยที่จะมาทําให้ระศาสนาต้องเศร้าหมองแต่จะไม่ถึงกับทําให้หมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาได้ฝังรากฝังโคนอย่างแนบแน่นอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้มานานนับพันปียากที่จะถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปได้วันรุ่งขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ได้รับหนังสือจากท่านเจ้าคุณโชดก เขียนมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดมห า, าธาตุอันเป็นเหตุให้สมเด็จพระพุทธจารย์ถูกจับศึกฉันไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นสมเด็จพุทธจารย์ท่านไปจีนแดงกลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ถูกบังคับให้ศึกนายกรัฐมนตรีทรรมอันใหญ่หลวงฉันสงสารเหลือเกิน แล้วก็น่าอนาดใจยิ่งไปกว่านั้นคือสมเด็จพระสังฆราชท่านทรงเชื่อไปด้วยเดี๋ยวนี้พระสงฆ์เราแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายนึ่งถือปริยัติเขาก็เกิดริษยาฝ่ายปฏิบัติเห็นพวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองในการเผยแผ่คำสอนเขาก็ไม่พอใจสมเด็จพุทธจารย์ท่านก็เห็นความสำคัญการปฏิบัติจึงได้พยายามสนับสนุน ให้มีการสอนภาคปฏิบัติขึ้นตามวัดต่างๆทั่วประเทศงานกำลังก้าวหน้าท่านมาถูกกลั่นแกล้งเสียก่อนแต่เธอไม่ต้องห่วงธรรมะย่อมชนะอธรรมอีกไม่นานเหตุการณ์คงคลี่คลายลงสมเด็จท่านจะได้กลับมาถือเพศบรรพชิตอีกแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือฝ่ายที่ทำกรรมอันใหญ่หลวงครั้งนี้ จะต้องชดใช้กรรมทันตาเห็นไม่ว่าจะเป็นพระหรือขฤรือหัดถึงเวลานั้นช่วยแผ่เมตตาให้พวกเขาด้วยอ่านจบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงตั้งจิตแผ่เมตตากับฝ่ายนั้นรวมทั้งภิกษุสองรูปกับตำรวจสามนายผู้ซึ่งมารุกรานท่านถึงศาลาการประเรียนเมื่อวันวานแผ่ให้สเสดยวนี้เลย ไม่ต้องรอวันนั้นมาถึงเสีย ก, ก่อนเดือนต่อมาได้มีหญิงสาวหน้าตาสะสวยมาขอพบสมภารวัดป่ามะม่วงหลวงพ่อจำหนูได้ไหมจ้าหล่อนกราบแล้วถามจำไม่ได้โยมาจากไหนล่ะจากกรุงเทพคะ่ะที่หนูมาขอบวชเมื่อเดือนที่แล้วไงคะมาขอบวชแล้วหลวงพ่อไม่ให้บวชนะคะ อาตมาน่ารื้อไม่ให้หนูบวชเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้หนูเคยมาขอบวชที่วัดนี้เหรอจะ๊ะไม่ใช่จ๊ะหนูมาขอบวชพระแต่หลวงพ่อบอกหนูว่ามีสองเพศบวชไม่ได้ต้องไปเอาเพศหญิงออกก่อนบังเอิญหนูเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากบวชเป็นพระก็เลยผ่าตัดเอาเพศชายออกเลยบวชพระไม่ได้ อ๋อจำได้แล้วงั้นหนูจะมาขอบวชชีแทนอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อีกแล้วค่ะหนูไม่บ่งไม่บวชแล้วบวชไปก็ปวดหัวมีผัวดีกว่าพูดจบก็หัวเราะคิกคิเมื่อเห็นท่านทำหน้าปั้นยาก